สัมฤทสัมฤทธมันก็ขายน้ําออกไปหมดผมเปรียบอย่างหนึ่งครับแล้วกํอกอาออุปมาอุปไมยอย่างหนึง่งเหมือนกับปิงเกาะเราวปิงที่มันกินเนื้อเรานะปิงบ้านผมเรียกว่าปิงจับถ้าพูดว่าปิงจับนิทานภากลางไม่รู้เรียกว่าปิงเกาะปิงเกาะกินเนื้อแล้วมันดูดกินเลือดเราเราจับปิงดึงออกปิงมันไม่อยากหลุดออกจากเนื้อเรามันดูดข้างนึงข้างนึ่งมันติด มันบุกข้างนึ่งข้างนั้นมันติดมันเป็นอย่างนั้นบบบนี้เราไม่ต้องจับเนื้อปีนเราเอาปูนกับยาไปผสมกับน้ําเมื่อปีนเออเมื่อยากับปูนผสมเอาน้ํามันจูบน้ําแล้วแบบนี้เราเอาน้ําปูนกับน้ํายานะัเนี่ยครับมาบีบใส่เนื้อเราน้ําปูนกับน้ํายานะี่ยมันลาดเนื้อเราไปปิงมันหล่นคนเดียวมันสั่นได เรื่องกิเลสตันหาอุปทานการยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ต้องสงสัยครับถ้ารู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัจนาญาณเป็นปัญญายาหรือญาปัญญาเกิดขึ้นที่จิตใจสำนึกจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้ครับมันหายไปจริงๆครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคล้องแวะอะไรทั้งหมดอันนี้เนี่ยครับใครจะพูดยังไงผมจะไม่เก้อเขิน ไม่เก้อเขินจริงๆครับใครจะรู้พระไตรปิฎกมาพูดผมก็ฟังได้ครับหรือคนไม่รู้จริงๆมาพูดผมก็ฟังได้การปฏิบัติแบบนี้นะครับเป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นเนนก็ปฏิบัติได้ถือศาสนาไหนก็ปฏิบัติได้เป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนคาเมนคนอเมริกา ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแต่พูดแล้วให้รู้เรื่องรู้ภาษากันคันไม่รู้ภาษากันนั้นปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจในคำพูดครับตอนนี้เลยครับตอนผมทำลายโทสะโมหโลภะนี้กับกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนี่ผมเป็นปีติเป็นปีติสมควรครับตอนนั้นตอนแหลงผมรู้ครับเดือน เมื่อรู้ตอนแลมันเป็นปีติผมก็เดินจนผมมานอนครับมันเป็นปีติรู้จิตใจผมเปลี่ยนสองพักนี่หรอกผมก็ทำเอาจิงๆครับบันนี้ผมนอนประมาณจากสามโซมงนอนตื่นขึ้นมาในแบบนี้เมื่อมานอนตื่นขึ้นมาแล้ ว, มมนนมลวผมก็ลางหน้าแปลงฟันอย่างเดิมนะครับผมมาเดินจมกรมเดินไปเดินมาสมัยนั้น ที่นั้นมันไม่มีไฟฟ้าครับผมใต้เทียนไขเดินไปเดินมาเดินไปทางนี้ทางนั้นมันมันก็มืดไปใต้ไฟกระไกลระยะทางเดินจมก้มครับมีตคาบตัวหนึ่งครับมันวิ่งมาที่ที่ไหนผมไม่ทราบครับมันกว่าขว้าข้ามทางผมไปผมก็มองเห็นแดงไปประมาณจากท่อโป้มือนี่นะครับตัวใหญ่ ผมก็มองดูมันปันมันไปไกลแล้วผมก็กลับคืนไปเอาเทียนเทียนไขหรือเทียนที่ผมใต้ใบซ่อนทางโดยจมกลมผมก็จับเทียนไขมาตามไปมองไปไม่เห็นกลัวมันจะมาซ่อนมาแอบอยู่ที่ทางโดยจมกลมกลัวมันจะตอดไปยังครับกลัวมันจะกัดเรามองไปที่ไหนไม่เห็นผมก็เลยเอาเทียนกลับคืนมาที่เดิมครับมาที่เดิมแล้วผมก็เดินจมกลมอยู่นั่นนะครับ เดินไปเดินมาประมาณตีห้าอย่างเดิมเมื่อผมรู้รูปนามนั่นแหละครับในขณะนั้นเลยครับจิตใจผมนี่มันเป็นวิวขึ้นมาอีกครับผมก็เลยรู้ศินศิลนั้นจึงไม่ไม่ไม่ไม่เป็นศินห้าไม่เป็นศินแปไม่เป็นสิลสิบไม่เป็นศินสองร้อยี่สิบเจ็ดผมรู้จริงๆเรื่องนี้ครับแต่ในขณะนั้นผมสมทานอุโบสถสิน เมื่อผมไปเจริญกรรมาฐานข่าวนั้นครับตอนผมมาเห็นตัวนิสินแปลปกติผมเข้าใจอย่างนั้นคนเมื่อมีศีลแล้วมันก็ตรงกับคำพูดตัวหนังสือศีลเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างยาสมาธิเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเอียดผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆ กิเลสอย่างหยาบเส้นหมากภูบุรีหรือกขมโกรธขมโลภขมหลงเหล่านี้แหละครับอันนี้แหละเลือกขมยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเนี่ยครับอันนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบครับตัวที่ผมเป็นนั่งตัวแข็งหรือผมเป็นนั่งสงบนั้นเป็นกิเลสอย่างกลางผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆครับผมไม่รู้ผมจะไปนั่งผมสงบอย่างนั้นผมไม่รู้จริงๆครับเรื่องนี้ ผมไปนั่งสงบเลยโอ้เราไปทำอย่างนั้นกิเลสอย่างกลางคือไปติดความสงบเทวดานี่มันชอบอย่างนี้พวกอินพวกผมนะ่มันชอบอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นเมื่อผมรู้สินเข้าใจจริงๆครับเดยสินคืออธิสินสิกขาอาธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขานื้อสินขันสมาธิขันปัญญาขันมันรู้มาอย่างนี้ครับ รู้อย่างนี้จิตใจมันก็เบาขึ้นมาครับคือผมก็เลยไม่ติดเรื่องความสงบแบบนั้นครับเรื่องนี้ความสงบแบบนั้นมันมันถูกน้อยมันไม่ถูกมากเหมือนเราไปนั่งอยู่ในถ้าเนี่ยครับไม่ได้มองเห็นอะไรมันก็หลับตาจิ้วอยู่อย่นะครับไม่เห็นอะไรมันสงบแบบนั้นแต่แบบผมพูดนี่มันไม่ใช่เป็นความสงบอันนี้ มันเป็นวิธีการเห็นแจ้งหรือ ก, การรู้จริงการเข้าใจจริงอันนี้หรือสงบแบบนั้นผมเคยพูดให้เพื่อนฟังว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่ในมุงแต่เราเห็นอยู่ในมุงนั่นแหละเราไม่ได้ออกนอกมุงเราก็เห็นอยู่ในมุงอันเดียวเราไม่เห็นในมุงหรืออุปมาอีกอย่างหนึ่งเรานั่งอยู่ในเหือนในบ้านเราเราไม่ได้ออกนอกบ้านเราปิดประตูไว้เราก็อยู่ในบ้านนั้นเอง บัดนี้เราเปิดประตูเราออกมานอกบ้านเรามองเบื้องหลังคาแล้วก็เห็นมองอะไรอะไรเห็นทั้งนั้นหรือเราออกนอกมุ้งมาแล้วเราก็เห็นหลังมุ้งเราเห็นหูมุ้งเราเมื่อเราออกนอกถ้ามาแล้วเราก็เห็นประตูถ้าเห็นหลังถ้าเห็นอะไรเห็นหมดเลยจริงๆครับเรื่องนี้ครับผมจึงกล้ายืนยันรับรองได้ว่า คำสอนของพ่อพี่เราสอนเป็นของจริงจริงจริงครับเรื่องนี้ครับ oh. เมื่อผมเป็นเจนนี่ผมก็เลยหายสงสัยเรื่องการไปนั่งทํำขมสงบผมก็เลยไม่ทํำขมสงบแบบนั้นผมก็เลยมาทํำขมสงบแบบนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าหักสอบอย่างที่สงบแบบนั้นอย่างที่พุ้โธก็ได้สัมมาอ阿ะหังก็ได้พองยุกก็ได้ ดูลมหายใจอนาปาก็อันเดียวกันครับหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียดดูได้แต่มันสงบมันไม่เกิดปัญญาสำหรับผมแต่มันสงบแบบนั้นเอาไปใช้กับการกับงานไม่ได้แบบที่ผมพูดในขณะนี้เดียวนี้นี่เนี่ยสงบแบบนี้มันเอาไปใช้กับการกับงานได้แต่มันไม่ใช่เป็นความสงบแบบนี้ มันเป็นการเห็นแจ้งใครจะพูดสนเสริญก็าตามใครจะมายกยอก็าตามสติมันเข้ามาทันทีมันเข้ามาตั้งอยู่ที่ไหนไม่ทราบนะครับเพราะมันไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนมันเข้ามาตั้งอยู่ที่นั้นใครพูดแล้วมันรู้จักว่าสมมติเฉยๆถ้าสมมตินะครับมีคนมาโกรธเราเขาพูดเร า, าไอ้หมาเนื้อ บักหมาหรืออีหมาว่าอย่างก็ได้ครับแต่คนที่โกรธเรานั้นแหละผมเข้าใจอย่างนี้ครับเขามาดูตัวเราทาไมเราเป็นคนจริงๆทําทำไมเขาเรามาพูดว่าหมาให้เราผมเข้าใจออคนที่โกรธให้เรานั้นจิตใจเขาเป็นหมาเป็นสุนัขเพราะสุนัขคือหมาเนี่ยบ้านผมเรียกว่าหมาจิตใจเขาเป็นสุนัขเขาดูคนจนมองเป็นมองคนเป็นหมา แต่ความจริงเราเป็นคนแต่คนนั่นก็เป็นคนจิตใจเขาเป็นสุนัขจิตใจเขาเป็นหมาเขาจะมองคนตรงกันข้ามผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้ผมจึงไม่โกรธตั้งแต่เมื่อวันนั้นจนถึงวันนี้ผมโกรธไม่ได้ถ้าเราไปโกรธคนก็ไปโกรธพระพุทธเจ้าไปโกรธพระธรรมไปโกรธศาสนาถ้าเราไปฆ่าคนก็ไปฆ่าพระพุทธเจ้า ไปฆ่าพระธรรมไปฆ่าศาสนาผมเข้าใจอย่างนั้นครับจีงว่าผมกล้ายืนยันนับรองได้จริงๆเรื่องนี้ครับผมก็เลยรู้จำพวกกามจาพวกกามนี่ครับตามตัวหนังสือครับเขาเรียกว่ากามาสวะภาวะสวะสอวิสาสวะวาสาวะผมเห็นอย่างนั้นจริงๆครับเดี๋ยวนี้ก็รู้อยู่จริงๆเข้าใจทราบซึ้งจริงๆมันเป็นอารมณ์ ตอนนี้มันเป็นลักษณะจิตใจเปลี่ยนครั้งที่สามครับตอนที่รู้สินเห็นสินนี่ลนะมันกนเลยมารู้อันนี้ครับเมื่อมารู้อันนี้จิตใจมันก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาอีกพักหนึ่งตอนนี้ครับเมื่อรู้อย่างนั้นผมมาเดินไปเดินมาตอนเศร้าอย่างที่พูดแล้วเดินไปเดินมากลับไปกลับมาตอนสุดท้ายนี่ครับผมรู้เรื่อง การบาปเนื้ออกสนทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำชั่วนะครับทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่มันสามประเภทครับกายทำแต่คำพูดดีวันนี้คำพูดย่าพายกายไม่ทำจิตใจคิดไม่ดีบนันนี้แต่การพูดการทำดีเป็นบาปอย่างไรถ้าหากว่านรกมีตายไปแล้วไปตกนรกที่ไหน ผมเข้าใจอย่างนั้นครับบัด น, นี้ทําดีทําถูกต้องด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายเราไปทําบุญครับนี่ว่าอย่างที่เราทําบุญบ้านเรานี่ยครับเราไปทําภาซากเพิ่งหรืออะไรก็ตามนะครับนี่กายทําแต่ใจคิดไม่ดีจิตใจคิดไปร้อยแปดพันประการบัด น, นี้จิตใจทําจิตใจดีบัด น, นี้ใจมันดีแต่คําพูดนั้นไม่ได้พูดดี เป็นยังไงได้บุญอย่างไรบัด น, นี้คำพูดดีๆบัดเนี้ยคำพูดดีได้ดีด้วยกายด้วยวาจายด้วยใจดีๆเนะี่ยทำดีทั้งสามอย่างเนี่ยถ้าหากว่าสวรรค์นี่ผ่านมีแล้วตายไปหยุดสวรรค์สั้นไหนไปอยู่ในพานที่ไหนผมเข้าใจอย่างนั้นครับพอดีมันเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆคือมันหลุดไปทั้งหมดเลยครับนี่ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังว่าเหมือนกับเอาเสื้อมาผูกไว้สองส้นครับ ดึงตึงตึงและบัลลีนำมาตัดตรงกลางเมื่อตัดตรงกลางแล้วเสื้อมันขาดกันดึงเข้ามาหากันมันไม่ถึงพอเตจุกันเตะเราจะไปทํางานอันใดไม่ได้เราจะเอาผ้าไปตากก็ไม่ได้จะไปทวงอะไรไม่ได้บัลลีเราไปแก้ส้นนั้นเข้า ม, ามาถึงตรงกลางดึงก็ไม่ถึงไม่ถึงอีกแล้วบัลลีบัลลีเราแก้ตรงกลางไปพูส้นตรงกลางไม่ถึงอีกแล้วผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆ นี่ผมอุปมาอย่างนี้ครับด้วยอีกอย่างหนึ่งผมเคยพูดเอาไว้ครับเหมือนกับไปอุ้มเด็กเด็กเด็กน้อยนะครับเราเอามือไปแตะก้นมันธรรมดาก้นกับตะโพกก้นเด็กเด็กเนี่ยมันแดงครับเราเอามือไปแตะมันขาวทั้งหมดเลยครับเราเอามือเราออกแล้วมันขาวมันมันแดงขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันครับมันจืดไปทั้งตัวเลยครับ ในขณะนั้นผมปิวไปผมยางครับผมรู้สึกโอ้อันนี้มันเป็นของจริงแท้ครับผมก็เลยไปเข้าใจที่คูบาอาจารย์เนื้อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสอนเคยพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวยผมพระพุทธเจ้าไม่งอกไม่ยาวพาสองข้อมือตามเดิมโอ้คำพูดอันนั้นคนไม่รู้ ความจริงมันเป็นอันนี้มันหลุดอันนี้มันไม่ใช่เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องสมมติพูดไม่ได้อย่างนี้โอ้คนมันไม่เข้าใจแม้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันเที่ยงตรงเสมอไปผมก็เลยไปคำหนึ่งถึงที่เมื่อสังขารญาณในครั้งที่หนึ่งครับมันมันเป็นไปเองครับความคิดมันวิ่งไปเองคนเดียวมันโอ้ความจริงพุทธศาสนานี้ เมื่อพระพุทธเจ้าตายไปไม่ขี่วันขี้ปีขี่เดือนโอ้คนมันกล่าวตู่ไปมันขี้เกียจมันขี้ค้านมันไม่สนใจคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เลยพูดไปอย่างนั้นผมเข้าใจไปอย่างนั้นครับตอนผมเข้าใจอย่างนี้ผมก็โอ้นี่หัวมจริงหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ผมก็เลยหายจริงๆครับหายตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงบัดนี้ในขณะนี้ผมหายจริงๆครับ ผมไม่สงสัยไม่เก้อเขินคำสอนของพระพุทธเจ้าแปด0มื่นสี่พันพัรมคขันนั้นพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมทั้งสามปีดกนี้ผมไม่สงสัยจริงๆครับมันมีจุดเดียวจุดสำคัญคือจุดสุดท้ายนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันไปตรงอาคตินานลาเมื่อถึงที่สุดแล้วหย่านย่อมมีมันกากฏจริงๆครับมันรายงานตัวมันออกมาจริงๆแล้วว่าจิตพ้นแล้ว จิตพ้นแล้วก็รู้จักจริงๆ จ, จิตใจของเรามันหลุดพ้นจริงๆอันนี้ได้หมุลด้วยญาณปัญญาหรือว่าปัญญายาณหรือว่าวิปัสนาญาณเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดกันนั้นครับมันปรากฏจริงๆครับเรื่องนี้เมื่อไม่ทําจริงๆมันก็เลยไม่จริงผมทําจริงๆครับเรื่องนี้ผมรู้อย่างนั้นนะครับผมเลยไม่เก้อเขินใครจะพูดยังไงก็ไม่ไม่สนใจครับพอดีมีคนพูด ขึ้นมาจิตใจมันมามามองเห็นสภาพความเป็นครับความมีความเป็นความเข้าใจที่เรารู้นั่นเองครับมันเห็นอย่างนั้นเน่ดังนั้นผมจึงเคยพูดเอาไว้เรื่องการทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั้นมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จริงจริงอันนั้นมันดีแล้วผมคนหนึ่งเคยได้ทำบุญเคยให้ทานเคยรักษาศีลบวชนาคกองกรถิน หรือบางสกุลผมเคยหลอพระพุทธรูปเงินเคยหลอครับมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องมีจริงๆครับเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นแต่อันนั้นมันเป็นการทําดีครับแต่มันไม่ใช่เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเมื่อจะพูดถึงการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจริงๆต้องปฏิบัติปฏิบัติให้มันเห็นจริงๆอันนั้นแหละว่าเป็นการสืบต่ออายุ พระพุทธศาสนาจ ร, จริงๆเรื่องนี้ครับผมรับรองได้ครับร <c oughs> ับรองได้ผมเป็นโยมแบบนี้ครับผมมาทำอยู่เป็นเวลาสองปีกว่าครับผมไปเปิดอบรมกรรมฐานที่นั้นที่นี้อันนี้แหละผมคิดคิดมาแล้วมันมีมันไม่อดมันไม่จนคำพูดครับอย่างที่ครูบาอาจารย์หรือพ่อผมเองก็เคยพูดให้ฟังว่า ผู้ทุศน์คนธรรมดาหรือเป็นฆราวาสญาติโยมนี่นะครับถ้าหากปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วอายุไม่เกินเจ็ดวันต้องตายวันสันธารวันต้องบวชเป็นภิกษุเป็นสมณีนเปลี่ยนเปลี่ยนเพศจึงจะอยู่ได้ผมทําไม่ตายครับไม่ตายจริงๆผมเป็นโยมอยู่ครับอันนี้ผมรับรองได้ครับผมก็เลยเข้าใจว่าคนไหน มันเกินไปได้อย่าวันทิศวันจันทร์วันอังคารพุทธหั ส, สุขเสาคนไหนไม่ตายในระหว่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสมมติผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆครับตายภายในจิตวันนี้ทุกคนนี่ผมเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ผมนำมาพูดความจริงอันนี่ครับ <c oughs> ตอนนั้นผมเข้าใจคำพูดของพ่อผมผมเป็นเด็กไปนอนานกับพ่อผม พอผมพันเร้าให้ฟันว่าเมื่อศาสนาพุทธเนี่ยล่วงไปได้ห้าพันปีท่านว่าจะเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนคนไปไหนมาไหนไม่รู้กันเลยผัวเมียเห็นกันกกลมปั้มกันกินเป็นเนื้อไปท่านว่าอย่างพอเห็นลูกกกลมปั้มกันกินกันเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนครับเมื่อตุ๊บไปทางไหนไม่รู้บัดเนธท่านว่าพระพุทธลูกเนี่ยครับ <c oughs> ในโลกนี่เลย มีดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั่นเนี่ยเท่ากับเมล็ดงาไว้ยังเมื่อศาสนาพุทธนี้ล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วที่เป็นเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนนั้นเนี่ยพระพุทธรูปนี่นจะห่อลอยตัวไปรวมกันทั้งหมดเลยเมื่อไปรวมตัวกันเข้าแล้วก็พระพุทธรูปจะแตกปัวกออกไปทันทีเป็นธูรีไปหมดดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั้น จะผสมกันเข้าเป็นรูปเป็นรูปเจ้าสายสิทธัตถกุ ม, มารหรือเป็นรูปสมณะโคโดม <c oughs> หรือเป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาแสดงธรรมเจ็ดวันเจ็ดคืนไว้คนใดมีปัญญาแหลมคมไปฟังธรรมะข่าวนั้นจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าไปนนิพพานพร้อมกันกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแสดงทำเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เลยตายอยู่สันธนวาไปนิพพานทันทีเลยและบัด น, นี้คนที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าข่าวนั้นแล้วรู้แล้วก็ตายไปกับพระพุทธเจ้าไปนิพพานพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าไว้ย่างนั้นแล้วคนใดมีปัญญาน้อยก็ต้องเป็นพระอนาคามีถอยลงมาคนใดมีปัญญาน้อยลงมาก็ต้องเป็นพระสักกีทาคามา คนใดมีปัญญาน้อยลงมาก็ต้องเป็นผ้าโสดาคนใดเป็นปัญญาน้อยก็ต้องเป็นมนุษย์คนใดมีปัญญาน้อยมาก็ต้องเลยเป็นคนธรรมดานี่เองนี่ผมเรื่องผมเข้าใจอย่างนี้ครับผมเข้าใจอย่างนี้ผมอย่างโอ้พอนี้ก็ก็ไม่เข้าใจผมเข้าใจความจริงอันพระพุทธรูปนะั่นคือคนนี่เองครับผมเข้าใจอย่างนั้นพวกคนเป็นพระพุทธรูปทางนั้น มีดวงจิตวิญญาณมีจิตสำนึกรู้ได้เหมือนกันทุกคนถ้าจเจริญถูกต้องถ้ามีครูบาอาจารย์ซียแนวจริงๆแล้วปฏิบัติจริงๆแล้วผู้รู้จริงๆมาสอนรู้ได้จริงๆอันนี้แหละผมเข้าใจว่าอย่างที่เรามานั่งอยู่ในขณะนี้นะครับมาต่างจังหวัดต่างอำเภอที่ไปว่าเหาะมาแต่ไม่ได้หเหาะนะครับเดินมาอย่างที่ท่านอาจารย์มหามาจาก จัเดินมาหรือเหาะมาครับเนี่ยเดินมาอันนี้แหละเดินมาครับเดินมาหรือว่าเหาะมามาอย่างนั้นครับอันนี้ผมผู้คงจริงท่านเดินมาหรือเหาะมาครับเดินมาเนี่ยครับอันนี้แหละผมเข้าใจเรื่องนี้โอ้คนนี่มารวมตัวกันอย่างที่เราปลุกระดมกันได้หรือเรามาเปิดอบรมกรรมาฐานกันได้หรือเราเร า, เรามาประสมสมณะจะพูดยังไงได้ทางนั้นครับ นี่เลยครับเรามารวมกันเนี่ยเหมือนกับพระพัทลูปครับเป็นพระพุทลูปมาฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจทันทีผู้มีปัญญาไว้ย่างไ น, นผู้ไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยการเจริญสติเมื่อเจริญสติอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมรับรองได้ครับ <c oughs> ตามตำราตัวหนังสือเขียนเอาไว้ผู้ที่เจริญสติประธานสี่อย่างถูกต้องไว้ มีอณิสงส์สองประการแต่จเจริญให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ว่าอย่างนั้นผมเคยพูดบ่อยๆเรื่องนี้ครับ <c oughs> อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน <c oughs> มีอ น, นิสงส์สองประการท่านว่าอย่าง น, นเป็นหนังสือทำมัวิจารณ์ผมรู้นะุนธรรมสั้นเอกผมไปดูแล้วครับอย่างนี้ นึ่งเป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันพบนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันพบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีอยูน่นะผมทํามาเป็นเวลา20กว่าปีครับผมไม่รู้จริงๆครับเรื่องนี้เมื่อผมไปทํานิดเดียวรู้จริงๆครับถ้าทําถูกนะครับเป็นอย่างนั้นครับอันวิธีที่ผมพูดนี้อันนี้ผมให้ระยะเวลา3ปีครับแต่ไม่ได้พูดถึงพระอาหารหันต์ครับตอนนี้ครับ ให้จเจริญแบบจเจริญสติพลิกมือขึ้ือนขั้ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติเข้าไปกาหนดรู้ในอีริยบทเหล่านี้นะทุกอิริยบทน่แหละครับแม้จิตใจนึกคิดก็ให้มีสติเข้าไปรู้ทุกขณะทุกเวลา ที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นนยครับอันนี้รับรองได้ครับให้ทําติดต่อกันสามปีครับอย่างนานนะไม่เกินสามปีครับแต่เรื่องพาาระอรหันต์พระเนี่ยบุคคลพระโซดาไม่ต้องพูดก็ได้ครับทุกหมดไปครับไม่มากก่็น้อยครับอย่างนานนะสามปีนี่ครับอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีครับอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวัน ถึงสามถึงเก้าสิบวันเดียวสามเดือนครับทำจริงๆรงิติดต่อกันจริงๆแล้วอย่างน้อยที่สุดจะไม่หลงงมงายดูเลืกดูยามและจะไม่งมงายจะไปไหว้ผีและจะไม่อ้อนวอนขอร้องจากใครที่ไหนทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นอย่างนี้หายจากความสงสัยเรื่องนี้เรื่องนรกสวรรค์ต้องหายจริงๆครับเรื่องมาคูบุรี เรื่องสิ่งเสพติดเนี่ยต้องหายจริงๆครับเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดนี้ถ้าหากมีปัญญาเลิกได้ทันทีเพราะมันเป็นเรื่องของปุถุชนครับเรื่องนั้นมันไม่ใช่เป็นของเรื่องภาริยบุคคลผมเองเคยทําบุญครับทําบุญบ้านผมเป็นโยมครับผมต้องทําบุญบ้านต้องไปนิมนต์อพระมาสวดปริตตะมงคลแล้วก็ต้องมีบุรีมีขันหมา ไปเลี้ยงพะระเลี้ยงเนรครับผมไม่รู้จริงๆเรื่องนี้ครับต่อมาเมื่อผมไปปฏิบัติธรรมะผมรู้ผมไม่ทําเลยครับเราทําผิดแล้วมันจะถูกไหมมันก็ไม่ถูกแล้วเราเอาเครื่องเมากรีดไปถวายให้พระเราแปลว่าเราทําบุญอยู่เนี่ยครับอันนี้แหละมันน่าคิดจริงๆครับอันคขมไม่รู้เนี่ยมันเป็นบาปอย่างหนักที่สุดครับในโลกนี้บาปหนักที่สุดคือขมไม่รู้ครับ ผมก็เลยพูดอย่างนี้อันบุญมากที่สุดคือความรู้แจ้งความเห็นจริงความเข้าใจจริงนี่เองครับไม่อื่นไกลครับนรกสวรรค์ก็เหมือนกันอันใดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเหมือนกันทั้งนั้นครับที่ผมนำมานอาให้ฟังนี่นครับมันรู้จริงๆครับเราลองคิดดูทำบุญต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ เอาเล่ามากินเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปอันนี้ลองคิดเอาดูมันผิดคำสอนของพระพรุทธเจา้าเราก็เงี่ว่าเราทำบุญอยู่นั่นเองครับนี่แหละผมมาคิดดูสภาพความเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าทำบุญก็ไปเขียนคำร้องขอตํารวจไปรักษาความสงบเป็นอย่างนั้นให้ตํารวจไปรักษาความสงบความปลอดภัย ถ้าทำบุญแล้วหาไขรมารักษาอันนั้นมันผิดแล้วเมื่อผิดแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่สวยกันแก้ใครจะมาแก้ให้เราอย่างที่เรามาอยู่ร่วมกันในขณะนี้ครับผมถามเพื่อนว่าเท่าไหร่พระเนนจำนวนร้อยโกโกโกู ก, กอย่งแล้วญาติโยมก็หลายพอสมควรอย่างน้อยพวกเราอยู่ในกันขณะนี้ครับผมว่าสองร้อยคนไม่ขาดครับ เราก็ไม่ได้ไปเอาตำรวจไม่ได้ไปเอาทหารไม่ให้ใครมารักษาความสงบครับอันนี้แหละถ้าหากเราทาถูกต้องแล้วความสงบมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเราไปทำให้มันไม่สงบเท่านั้น <c oughs> จิตใจของคนทุกคนมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สงบนั้นมันไม่ใช่เป็นจิตใจของเรา อุปมาให้พวกเราได้ฟังเหมือนกับตะเวรหรือพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นี่ครับเวลามันบดมันมืดมาเราก็เรียกว่าตาเวรบดแต่ความจริงตาเวนไม่บดผ้าอาทิตย์ไม่บดเมฆฟ้าควรไปบังมันเท่านั้นเองเมื่อบังแล้วมรกรานไปดวงอาทิตย์นั้นมันก็ทําความสว่างเต็มดวงมาอยู่อย่างนั้น เมฆฝ้าจะไปเกาะ อ, อยู่กับดวงอาทิตย์ไม่ได้จิตใจของเราก็เหมือนกันอันข่มโกรธข่มโลรคข่มหลงนั้นจะไปเกาะ อ, อยู่กับชีวิตจิตใจของเรานี่ยเกาะไม่ได้มันมาบางังไม่ให้เราเห็นไม่ให้เรารู้เพราะเราทําไปตามอิริยาบถของเรานั่นเองเราไม่เคยกําหนดรู้เมื่อเราไม่กําหนดรู้แล้วมันก็เลยรู้ไป เราไม่เคยเบิงของจริงคือไปดูคนนั้นไปดูคนนี้คนนั่นรวยคนนี้จนคนนั่นสวยคนนั่นไม่สวยเราไปดูอย่างนั้นครับอันนี้แหละท่านภูลูก็เยกลาวไว้ว่าคนลืมตัวเรียกว่าคนประมาทคนประมาทนี่เหมือนกับคนตายแล้วท่านว่าอย่างคนตายในทีนี้ไม่ได้หมายถึงตายเนาเข้าโลงครับ คือจิตใจเป็นเปียกแฝะเน่าเหม็นอยู่ครับอันนี้มันตายจริงๆตายอันนี้แหละครับมันเหม็นกว่ของอุจจาระไปครับนี่ผมเคยพูดอย่างนี้ครับดังนั้นพวกเรามาที่นี่ทําตัวของตัวให้เป็นเม็ดข้าวอุ่นอ้วนเป็นเมเเ็ดข้าวเปือกเนี่ยเม็ดอุ่นอ้วนจะเป็นข้าวจ้าก็ตามข้าวเหนียวก็ตามถ้าเป็นเม็ดอ้วนเม็ดเต็มเราเอาไปเพาะลงที่ซุ้มที่เย็นมันจะออกลากเร็ว มันจะแตกหนอขึ้นมาเร็วถ้าเราเป็นข้าวไม่อ้วนไม่เต็มมันจะนานงอกเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นข้าวรีบไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะงอกได้ขอให้พวกเราทุกคนนี่แหละที่มากันที่นี้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบอย่าพูดอย่าคุยกันผมเองไปปฏิบัติข่าวนั้นผมไม่ต้องการพูดการคุยไม่ต้องการคุยกับใครทั้งหมด ผมไปปฏิบัติธรรมะมีเพื่อนคนหนึ่งในห้อยพอมุกนี่ครับเป็นเพื่อนกันสอบกันจริงๆไปไหนไปด้วยกันมาไหนมาด้วยกันแต่ไปปฏิบัติธรรมะก็ไปด้วยกันแต่ท่านเป็นคนมักคุยในคราวนั้นท่านจะมาคุยผมผมเห็นท่านเดินมาผมทีแรกผมก็ต้องคุยกับเขาต่อมาสองครั้งสามครั้งแล้วผมไม่ต้องคุยเลย พ อ, อดีเห็นหนายห้อยพมมุกเดินมาหาผมกดผมกดลงหนีเลยไปเดินจมกอมอยู่คนเดียวท่านก็มานั่งอยู่พุฏิมานั่งอยู่บันไดคอยผมผมไม่เข้ามานานๆถ้าคนนี้เป็นคนเดียวไม่ถึงสองครั้งสามครั้งท่านก็ไม่ต้องมาแล้วอันนี้แหละความสงบมันอยู่ที่เราอย่าไปโกรธคนนั้นว่าคนนั้นมาคุยเราคนนี้มาคุยเราไม่ใช่อย่างนั้นเราเข้าไปหาเขาเขาต้องมาหาเรา เมื่อเขามาหาเราเราไม่ไปคุยมันก็หายไปเองที่ผมปฏิบัตินั้นอันนี้วิธีที่เคลื่อนไหวนี่ทําประโยชน์ให้ผมผมจึงนำเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังส่วนที่นั่งหลับตานั่งก็ดีแต่มันความสงบแบบหนึ่งมันไม่ใช่สงบแบบนี้อันแบบนี้มันไม่ใช่เป็นความสงบเป็นแบบการเห็นแจ้งการรู้จริง คือสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากกิเลสสงบจากการยึดมั่นถือมั่นสงบจากสิ่งหลงผิดมันสงบไปอย่างนี้จะว่าสงบก็ได้ว่าไม่สงบก็ได้ครับเรื่องนี้รับรองได้จริงๆครับดังนั้นการตัดสู้หรือการรู้ที่พระพุทธเจ้ารู้มาจริงๆนั้นไม่ได้หายไปไหนครับ ถ้าหากพวกเราศึกษาและปฏิบัติจริงๆแล้วมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นครับที่ผมมาบวชนี่ผมตั้งใจจะมาพูดอย่างนี้ครับผมบวชมาตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่สิบสามเดือนธันวา 2,524 <c oughs> ที่พวกเราคนไทยทุกๆคนเกิดมาแล้วพอต้องถือาศาสนาในว่าสาวพุทธ <c oughs> ผมเองก็เช่นเดียวกัน <c oughs> เกิดมาแล้วก็ เป็นสาวพุทธถือาศาสนาพุทธมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ <c oughs> ผมเมื่ออายุพอที่จะเป็นเด็กตามธรรมดาอย่างที่เราเห็นๆกันนี่แหละก็คุกคีอยู่ในวัดเพระหว่าบ้านเรือนอยู่ที่ใกล้วัดเศร้าก็อยู่วัดเย็นก็อยู่วัดเมื่ออายุสิบเอ็ดกว่าปี ก็มีหลวงนาท่านก็นเลยจับไปบวชเป็นเนนเมื่อเป็นเนนผมก็ได้ศึกษาเร่าเรียนจากท่าน <c oughs> ท่านฝึกหัดให้เจริญพุทธโธในขณะที่เจริญพุทธโธนั้นนั่งขัดสมาธิเรียกว่าขัดธรมเทศนั่นเองเวลาลหายใจเข้า พอให้ว่าพุธเวลาหายจะออกก็ให้ว่าโทเดินจกมกลมก็เช่นเดียวกันที่ผมทำอยู่นั้นเป็นเวลาไปหกเดือนสองพันาทำติดติดกันเพราะเป็นเด็กอาจารย์สอนก็ต้องทำแต่ได้คนสงบในขณะที่สงบนั้น บางครัง้งบางข่าวหลับไปแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นการหลับนั่นเองไม่รู้สึกตัวหลับแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยต่อจากนั้นผมสึกมาเป็นเนสึกออกมาแล้วก็ได้มาทำต่อต่อมาเรื่อยๆมาแล้วก็มีถ้าจะพูดมากก็ ได้ประสบมามากเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้เรื่องสัมมา阿รหังก็ได้ทามาหรือพองยบเหล่านี้ก็ทํามานับหนึ่งสองสามโมนิธรรมทั้งนั้นเมื่อระยะผมได้ทําเอาจริงเอาจังพอสมควรนะต่อนนี้มาบวดเป็นพระอย่างที่เราเคยเห็นกันนี่แหละหกเดือนนึกว่าเจ้าของนี่ทา เรื่องกรรมฐานเนี่ยทำมารู้ดีก็อยู่ในโบสถ์สันเข่ามือเดียวเนี่ยวันสันเข่าเอกาทําอยู่อย่างนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีความสงบทีก็มีอาจารย์คนหนึ่งมาพูดว่าขึ้นต้นไม้จะขึ้นไปทีเดียวไม่ได้ต้องขึ้นไปตั้งแต่ต้นต้นทันเวลา ตอนนี้ท่านมาสอนให้เป็นวิธีนับหนึ่งสองสามเวลาหายใจเข้ากว่าวันหนึ่งหายใจออกกว่า2นสองนับไปจนถึงสิบเมื่อถึงสิบแล้วท่านก็สอนให้นับตั้งแต่สิบลงมาถึงหนึ่งสิบเก้าแปดเจ็ดเรียงตัวลงมาแล้วก็ให้นับตั้งแต่หนึ่งที่ขึ้นไปถึงยี่สิบ นับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงหนึ่งทำอยู่อย่างนั้นเพื่อนว่าอันนี้เป็นการที่ขึ้นตั้งแต่ตนโตน่นว่าอย่างที่ผมทำมาก็เหมือนกันกันกบพุโทโธหรืออลหังสัมมาอลหังเหล่านี้เป็นอันเดียวกันตามความเข้าใจของผมตอนพองยุบนี่ผมเป็นโยมผมมาที่จังหวัดอุดร ผมนำของด้วันนำสินค้าไปขายที่จังหวัดอุดอรก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งท่านสอนให้ผมก็มาทำเรื่องนี้ก็ทำอยู่เป็นเวลานานพอสมควรแต่มันก็ได้ความสงบมันไม่เกิดปัญญาผมยังมีความสงสัยเรื่องการทำบุญให้ทานเหล่านี้มีความสงสัยอยู่ ไม่ไม่หมดความสงสัยเรื่องผีเทวดานรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษนี่ผมสงสัยผมยังไม่มีความแจ่มใสในใจแต่นึกว่าตัวเองทำถูกก็ยังมีความสงสัยอยู่นั่นเองต่อมาเมื่อผมมีอายุ ระยะนั้นผมไปที่จังหวัดหนองคายมีเพื่อนเนี่ว่าท่านเคยไปด้วยกันกับผมท่านเคยขึ้นเคยล่องขึ้นตามลีมแม่น้ําโขงเนี่ยผมเป็นคนที่เดินเรือตามริมแม่น้ําโขงตามสายแม่น้ําโขงท่านก็ขึ้นด้วยล่องด้วยบางข้างบางขาวท่านเป็นพระพุธดงเป็นพระกรรมฐาน ตอนนี้ผมได้สนทนากับท่านท่านอยู่ที่วัดท่านก็เลยไปสนทนากับท่านท่านว่าถ้าจะเจริญรนิพพานนั้นต้องต้องทำเอาเองผมไปสนทนาท่านตั้งแต่ตอนเย็นหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าถามวิธีทาอย่างไรทาอย่างไรถามทั้งนั้นถามเพื่อความเข้าใจ สุดท้ายท่านก็นเลยพูดเอาให้ว่าต้องมาทำเองจึงจะรู้การพูดให้ฟังเนี่ยมันรู้ได้ยากถ้าหากว่ารู้ได้ดีที่พูดให้ฟังแล้วไม่ต้องปฏิบัติก็รู้ได้ท่านว่าอย่างไรเรื่องนี้ผมจำไว้เป็นระยะเวลาสองปีครับแต่ผมพิจารณาอยู่อย่างนั้นเนี่ย จำเป็นผมก็เลยหาโอกาสหาวิธีไปปฏิบัติเองเมื่อผมไปปฏิบัตินั้นผมเป็นโยมเป็นฆราวาสนุ่งกางเกงขาสั้นบ้างขายาวบ้างแต่ผมเป็นคนแสวงหาความจริงในทางพุทธศาสนานผมต้องการจริงๆเพราะในสมัยเมื่อผมเป็นเด็กผมเข้าไปในโบสถ์ ผมเห็นรูปภาพที่เห็นรูปภาพนั้นบางครั้งบางขาวขึ้นต้นนิวเวณาขึ้นไปเนี่ยหมาจ้องหมากัดจินเนื้อเราแล้วก็ขึ้นไปอยากให้มันวิตปากสุนัขเดือมหมาเนี่ยหนามนิวซ่องลงมาบัด น, นี้เมื่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีมีแรงมีการสับสีสักรก็ถอยตัวลงมา หนามงีวก็ซ่องขึ้นไปผมไปเห็นรูปภาพในใจมันกลัวกลัวบาปกลัวความชั่วห้ายเนี่ยกลัวจริงๆผมจึงไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้แล้วก็ไปเห็นคนที่นอนในแพทย์เหล็กแดงแล้วเอาเสื้อเหล็กดีดบรรทัดลงไปแล้วก็มีจ้าโยมพิบาลท่านเอาขวนเหล็กขวนทองไปทาแล้วก็มีเลือดเต็มอยูน่นงี้ยน่ะ ถากแล้วก็จับโยนลงมนตโลกอีกแล้วยผมเห็นอย่างนั้นผมโกรวจิตใจมันโกรวครับไม่สามารถจะทมขมชั่วได้แต่ผมหาวิธีทางเพื่อจกักให้มันวิตไปจักสิ่งเหล่านั้นผมคิดฝังแน่นอยู่ในใจแต่ผมไม่รู้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่มันคิดอย่างนั้นต่อเมื่อผมได้ฟังอาจารย์คนนี้แหละแสดงให้ฟังแล้ว ผมรับฟังไว้เป็นเวลาสองปีกว่าผมก็เลยไปปฏิบัติตอนที่ผมไปปฏิบัตินั้นท่านไม่อยู่ด้วยท่านขึ้นไปจำพรรษาที่หลวงพ่อบางก็มีหลวงพ่อวันทองเป็นคนอาเภอท่าบอกท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาอยู่ที่นั้นวิธีเดินของท่านนั้นยกเท้าสูงสูงท่านทาและผมก็เลยไปเรียนกับท่าน ในขณะที่ผมไปเรียนกับท่านนั้นท่านก็สอนให้ผมไปเรียนวิธีการกับท่านอยู่เป็นระยะเวลาจะกห้าวันเรื่อนี้เนี่ยครับผมก็จําไม่ได้ผมก็เลยทําอย่างที่ท่านทําตอนนั้นยังไม่เอาจริงเอาจังครับตอนระยะไปเรียนวิธีกับท่านตอนเมื่อเข้าพรรษาแล้วเนี่ยครับ ตอนจะเข้าพรรษาจะเข้าพรรษาใกล้จะเข้าพรรษาเนี่ยผมก็เลยตกลงตัดสินใจจะปฏิบัติจริงๆแบบนี้ท่านก็เลยสอนให้ข อ, อกรรมาฐานตอนเย็นวันนั้นเป็นวันแปดคำ่ำวันขึ้นแปดคำ่ำเดือนแปดยังไม่ทันเข้าพรรษาครับผมก็เลยไปข อ, อกรมาานจากท่านท่านมีวิธีการหลายอย่าง ขอกรรมาฐานจากท่านมาแล้วท่านให้สมท า, านอโบสถศินเรื่องอโบสถสินนี่ผมผมเคยสมท า, านมาตั้งแต่เมื่อผมเป็นหนุ่ ม, มผมเคยนับสินแตกมามเพราะผมคิดว่าจะทำให้ตัวเป็นคนบริสุทธิ์คิดอย่างนั้นอยู่เพราะผมเป็นคนที่ไม่เกะกะละลานอะไรมากนะักตอนนั้นผมก็ทำกับท่าน ทำกับท่านและมาถึงกุติผมก็มาทาอย่างที่ท่านสอนว่าเวลาหายใจเข้าให้ว่าตายเวลาหายใจออกก็ให้ว่าตายมันเป็นวิธีบริกรรมเหมือนกันกันกบพุโทโธหรืออลหังพองนุกนับหนึ่งสองสามเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ผมเคยทํามาเนี่ยผมก็ต้องรู้บัด น, นี้ เมื่อทำอย่างนั้นมันมีเรื่องเกิดขึ้นภายใน จ, ใจิตใจผมเป็นผมไม่รู้บัดเดียวก็ค้านลงไปขี้เกลียดไม่อยากทำเมื่อไม่อยากทำก็ต้องนอนวันนี้นอนลงไปมันคิดจิตใจยังไงผมไม่ทราบก็มันถามตัวเองมานอนเนื้อเนือมาเจริญมันคิดอย่างนั้นมันมีสองคน อยู่อยู่ภายในจิตใจก็ลุกขึ้นมาเมื่อลุกขึ้นมามาทํานิดเดียวมันก็ขี้เกียจขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องนอนเมื่อนอนลงไปมันคืดขยันขึ้นมาแล้วก็ต้องลุกมานั่งทํามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่นานเท่าไหร่ผมก็เลยเอ๊ะทาอย่างนี้อ้าวนอนก็ต้องนอนแบบนี้แต่มันเป็นเป็นนานนะครับ ประมาณจากโซงูงกลัวหรือสองโซโงนมันเป็นอย่างนั้นครับผมก็เลยนอนนอนตัดเสียงใจพรุ่งนี้กูต้องทำนอนไปประมาณจากสามโซงงนะครับตื่นขึ้นมาแล้วผมก็ต้องล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันแล้วก็มาพผัดเสื้อนุ่งกางเกงแล้วก็สร้างจังหวะ วิธีที่ผมสร้างจังหวะนั้นพลิกมือขึ้นยกมือขึ้นเป็นจังหวะอย่างที่ทําไว้กับเป็นรูปภาพจังหวะอยู่ในแบบที่ผมทําเอาไว้เดี๋ยวทาตั้งต้นมือขวาพลิกมือขึ้นยกมือไปเอามือมาทําอย่างนั้นเน่ยตื่นมาเป็นวันแปดวันเก้าค่ำคำวันนั้น วันเก้าค่าผมทำทั้งวันเลยครับทำจริงๆทำให้ติดต่อผมไม่ทำการอะไรทั้งหมด <c oughs> เมื่อสร้างจังหวะก็เดินจมกลมเมื่อเดินจมกลมก็สร้างจังหวะวิธีนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาอย่างที่วิธีทำมาอย่างก่อนๆ น, นั่นแหะวันเก้าค่าทาทั้งวันตอนเย็นมาลับไปอาบน้าอาบน้าแล้วก็มาทำ จนอยักนอนอยักนอนก็ต้องนอนนอนตื่นแล้วประมาณจากสามช่วโมงนอนครับนอนตื่นขึ้นมาผมก็ทำอีกแล้วล่างหน้าแปรงฟันก็ทำอย่างเดิม น, นประมาณจากในราวตีห้านี่นะครับดูแสงตะเวนยังยังไม่สว่างมาดูลายมือไม่ถนัดผมนั่งกลางนั่งนุ่งกลางเกงขาสั้นในขณะนั้นครับ ตื่นมาต้องเป็นวันสิบคำนี่แหละแมงป่องคันทับพูดว่าแมงป่องนี้บ้านผมไม่รู้ก็ต้องว่าแมงงอดแมงงอดไม่ลูกอ่อนหรือแมงป่องไม่ลุกอ่อนเนยตกเสื่อขาผมพอดีมันตกลงมาแม่มันเลยหมกอยู่ที่นั้นเนี่ยลูกมันก็ออกมาจากท้องแม่มันมาแลนตามขาผมผมก็เลยเกิดมีความ ไม่มีไม่มีเรียกว่าไม่มีสติก็ได้มันก็เลยเซอร์ก็เลยมาเผยตัวไม่สร้างจังหวัดก็เลยมาดูแมงป่อดูแมงงอดกับขาผมพอดีมันดูไปนานๆแมงแมงป่อแมงแมงแมงงอดเรียกว่าตั ว, ต, วตัวเล็กตัวลูกมันมันก็นแลนเข้าไปท้องแม่มันอาโพธิอย่างนี้มันมันอยากเป็นเสียงบ้านบ้านผม ถ้าพูดยังบ้านผมนั้นอาจจะไม่รู้บางคนถ้าถ้าเป็นบ้านผมรู้เมื่อลูกมันแลงเขาท้องแม่มันนะผมมีไมประมาณจากศอกนี่นะครับหรือห้าสิบเนอย่างนี้มาแตะขาผมพอดีเนื้อผมมันไหวมันตีงนะครับพอดีเนื้อผมมันตีงแล้วแม่งอดตัวแม่มันมันก็วิ่งเข้ามาจับไม้นีครับ มันไตเข้ามาผมมันไตเข้ามาข้างนี้ผมไปจับข้างโน้นพอมันสุดไม้มันก็กลับคืนผมก็จับเอาเมีงปองไปวางไว้คันเทนาเรียกว่าคันนานะครับในที่ผมไปปฏิบัติมันอยู่ทุ่งนาไปวางว่าคันเทนาพอดีกลับขึ้นมาครับในระยะเมียงปองตกใส้ขานั้นผมพิจารณาเรื่องรูปนามครับ แมงปองก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะขาเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันผมเลยรู้จักเรื่องรูปนามแต่ก่อนผมรู้จักรูปนามรู้จักเพียงสัญญาไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเรียวรู้จักมาจากครูบาอาจารย์สอนให้เร่ยวลู้จำรู้จักมันไม่แจ่มแจ้งในใจครับ พอดีผมเอาเมียงป่องออกไปวางว่าขันแทนาดีแล้วกลับมานั่งสร้างจังหวะอยู่ที่นั้นมันรู้รู้จริงๆครับเรื่องนี้รู้ลูปรู้นามรู้ลูธรรมนามธรรู้ลูบโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้สมมติรู้ศาสนารู้พระศาสนารู้บาูบุญรู้จริงๆครับเรื่องนี้รู้ผี รู้เทวดารู้จริงๆครับดูนี้เมื่อรู้เช่นนั้นเนี่ยครับมันเกิดสะดุดใจมันคิดถึงพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายคนที่ตายไปแล้วน่ะ น, นะครับมันไม่รู้เกิดมาเสียสมบัติเสียทราบ น, น, น้ำตามันไหลมามันเป็นตีตีครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้เลยครับผมก็เลยทาอยู่นั่นนะพอได้ทาอยู่อย่างนั้น อาจารย์หลวงพ่อวันทองท่านเลยไปใหอารมณ์ท่านก็เลยไปไปไปย่อไปหยั่นเหบ้านผมก็เรียกว่าไปตําหนิที่ว่าอย่างไรก็ได้ทํามสมนําหน้ากันมาอย่างนั้นพอดีหลวงพ่อวันทองว่าสมนําหน้านี่เอ๊ะผมก็เลยกลับแนวความคิดเอ๊ะทาไมหลวงพ่อเนี่พูดอย่างนี้แม้เรารู้ธรรมะมีความสงสารในสรรพสัตว์ทั้งหลาย หยวงพ่อทำไมว่าสมน้ำหน้าให้เราเผมก็เลยเลยคิดขึ้นเป็นขมใหม่เลยบัดนี้ตีตีเนี่ยก็เลยค่อยลดลงลดลงแต่มันเกิดขมรูขึ้นมาบัดนี้ขมรูสนิทมันฟุ้งขึ้นมาทีหลังนี่ละผมไม่รู้มันครับ <c oughs> <c oughs> มันรูไปทุกแง่ทุกมุมครับรู <c oughs> ไปแม้มันรูจนไม่มีทางสิ้นจบครับ ผมเลยไม่ได้รู้ผมคิดมันก็เลยเข้าไปในความคิดอันนี้แหละที่ผมว่าอย่าเข้าไปในความคิดตอนที่ผมรู้ตอนนั้นรู้ตั้งแต่ตอนเช้าครับจนถึงหกโมงเย็นเครับไปอาบนา้ำมันรู้มันเป็นวิปัสสนูผมไม่รู้วิปัสสนูครับวิปัสสนูนี่สมมุติให้ฝั่งครับเหมือนกับคนเป็นบ้าผมมาทําความเข้าใจกับเพื่อนทดลองดู เหมือนกับคนบ้าถ้าคนบ้าเป็นบ้าเราจะเอาไปโรงพยาบาลคนบ้าต้องพูดมาเราไม่เป็นบ้ามันไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะมันไม่อยากกินยาครับมันไม่รู้จักมันเป็นบ้าเรื่อสมมติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคนกินเหล้าคนกินเหล้ายิ่งกินก็ยิ่งเมาแต่เราไปห้ามคนกินเหล้าสมมติว่าเป็นพี่ชายเราก็ดี หรือเป็นเพื่อนเราคนดีเป็นอ้ายเป็นลุงเราจะเป็นอย่างก็ตามเธอะว่าอยากกินเทอะเหล้านี่มันเมาคอแล้วคนเมาเหล้านั่นบอกว่าเราไม่เมาเอาไม่ให้เรากินมันเป็นอย่างนั้นยิ่งกินก็ยิ่งเมาคนเมาเหล้าตอนผมเป็นวิปสัสเนื้อผมก็ยิ่งพูดโมโธมันมีความสามารถที่จะไปแก้ปัญหาคนนั้นไปแก้ปัญหาคนนี้ ยืนบางครัง้งบางขาวคนเดินจมกลมยืนแสดงธรรมครับยืนแสดงคนเดียวแสดงอยู่ในใจแต่มันไม่ออกเสียงบางครั้งมานั่งสร้างจังหวะมันก็ยังแสดงอยู่อย่ใ น, นแสดงให้เทวดาฟังแสดงให้ผีฟังอะไรมันไม่รู้นะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นคนเป็นวิปัสนาจึงไม่รู้วิปคนเป็นวิปัสสนาก็รู้วิปัสสนา คนเป็นวิปัสนาไม่รู้วิปัสนาผมเองอันนี้คนอื่นอาจจะรู้ก็ได้เนสําหรับผมเองผมเป็นวิปัสนาผมเป็นวิปัสนาวผมไม่รู้ตอนเย็นมาไปอาบนา้ําอาบน้ํามผมมาเดินจมกรมที่ระยะผมเดินจมกรมทางเดินจมกรมนั้นประมาณจากสามวาหรือสามวาขวนนี่แหละครับมันมีต้นมักทันมักพุทธานี่ครับ นะครับต้นสมพ่อหรืยวต้นขอยนะครับมันตรงกันผมก็เดินจมกลมอยู่ที่นั่นเดินไปเดินมาผมไม่เคยเห็นผมคิดผมแต่มันคิดนผมรู้มันไม่เคยดูผมคิดเดินไปเดินมามันคล้ายๆคือมีคนมาผลักข้างผมมูกนึงผมก็เลยเนี้ยอะไรมาผลักมาดันหรว่ามาสุกบ้านผมเดี๋ยว ม, มันมาสุกไง เห็นว่าตามภาษาพวกเราก็าเรียกมาผักมาดันอย่างเนี้ยอะไรมาผักดันเราก็มองเห็นมองมาเลยไม่เห็นอะไรเอ๊ะอะไรมาผักดันเราผมก็เดินไปอีกไม่นานครับเดี๋ยวมันก็คิดวูบขึ้นมาอีกแล้วครั้งที่สองเนี่ยครับเอ๊ะมันคิดมาจากที่ไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้มันคิดที่นี้แต่ผมไม่รู้ส ม, มุฐานของผมคิดครับอันนี้ พอดีมันคิดวูบขึ้นครั้งที่3าเนี่ยผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจตอนนี้ครับเมื่อผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจแล้วผมก็ทำเหมือนแมวกับหนูอย่างที่ผมเคยพูดนะครับเดินไปกลับไปกลับมาผมก็เอาสติมาคอยดูขมคิดหรือว่าเอาจิตมาดูขมคิดก็ยังก็ได้หรือว่าเอาจิตดูจิตว่ายังกระไดครับพอเดมันคิดมาปุ๊บ เห็นปั๊บมันคิดมาปุ๊บเห็นปั๊บเหมือนแมวกับหนูเนี่ยหนูโดดออกมากระโจนมาแม่มันโดดจับหนูอย่างแรงหนูกระดิกตัวไม่ได้ครับเมื่อผมเป็นอย่างนั้นผมก็เลยเห็นสมุติฐานของผมคิดของผมเรื่องนี้ครับพอดีผมเห็นความคิดของผมไม่นานครับมันปรากฏตัวของผมนี่เบาขึ้นมา นี่บ่กเบากายเบาวาจาเบาใจว่าอย่างนี้ก็ได้ครับว่าตามตัวหนังสือแต่ว่ากายและหุตาเนี่ยกายเบาจิตนะตาแหูตาเพิ่นวาอย่างนั้นครับตามตัวหนังสือแล้วผมก็ไม่อยากพูดกับตำรับตําราครับถ้าพูดในเป็นวิธีปฏิบัติอย่างที่ผมปฏิบัติมาจริงๆนี่ผมก็ต้องพูดตามที่ผมรู้มาจริงๆนั่นแหละครับจึงผมกล้ายืนยันรับรองคําสอนของพร ะ, พระเจ้า ผมปฏิบัติผมที่อามาเล้นนี่ผมก็กล้ายืนยันรับรองคำพูดของผมว่ามันไปตรงออกกับคาพูดของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเ่ยครับตอนที่ผมรู้รูปนามนั้นผมรู้จักเรื่องสมมุติรู้จักจริงๆครับผมไม่งมงายผมเลิกในขณะนั้นผมสูบบุรีครับผมติดบุรีผมเห็นทุกจริงๆครับทุกเนปโธ หายใจเข้ากระทุกหายใจออกกระทุกเกิ น, น้ําลายกระทุกอะไรทุกทั้งนั้นผมเลิกได้ครับเลิกบุรีเลิกในขณะนั้นวินาทีนั้นก็ได้ครับเกิดความรู้ขึ้นมาความไม่รู้มันหายไปทันทีครับเหมือนกับมืดที่เราอยู่ที่มืดจุดไฟขึ้นความมืดมันหายไปเองอย่างนี้ครับตอนนั้นยังไม่ทําลายความหลงผิดได้ครับ ส่วนความโกรธความโลภความหลงนี้ผมยังไม่รู้เพราะผมกำลังทำข่าวนั้นมันรู้เรื่องสมมุติครับอันนี้ตอนผมรู้ความคิดนี่แหละครับตอนผมรู้ความคิดเห็นความคิดเข้าใจความคิดรู้สมมุติฐานของความคิดที่เกิดของความคิดนี่นละครับผมเลยนึกว่าความโกรธ ผมโรคผมหลงนี่ผมทําลายได้อย่างน้อยที่สุดหกสิบเปอร์เซ็นผมเข้าใจอย่างนั้นมันเบาตัวขึ้นมาถ้าพูดตามอุรรมการณ์ผมในขณะที่ผมกําลังทําอยู่นั้นผมเข้าใจว่าผมทําลายสิ่งเหล่านั้นได้แปดสิบเปอร์เซ็นเพราะผมแน่ใจที่สุดว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่รู้ว่อย่างไร้าแต่วิธีผมทํามานั้นมันไม่ไม่เข้าใจอย่างนี้ อันนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอันนั้นมันก็ไม่ใช่อันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันครับแต่คนอื่นน่าจะเป็นยังไงไม่ทราบครับตอนนี้เนี่ยครับผมก็เลยรู้ว่าความเป็นพระนั้นมันไม่ได้อยู่กับเพศมันไม่ได้อยู่กับการบวชการโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองอะไรทั้งหมดผมเข้าใจในขณะนั้นผมเข้าใจว่าผมเป็นพระได้จริงๆ ผมรับรองมาโอ้พระมันเป็นอย่างนี้มันต้องจิตใจเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนจากสภาพความงโมาอยู่ความสลาดเปลี่ยนจากสภาพความไม่รู้มาอยู่ความที่รู้เปลี่ยนจากสภาพความหนักมาอยู่ความเบาเปลี่ยนจากสภาพความเป็นพุทธสนมาอยู่ความเป็นอริยบุคคลผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆครับเรื so ่องนี้รับรองได้ปฏิบัติอย่างนี้ครับ ผมรับลองคําพูดมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยครับจนถึงบัตรนี้ครับตอนนี้ผมรู้จักวิปัสนูแล้ววันเนี้ครับโอ้ที่เราเป็นกลางวันนี่แม้น เ, เป็นวิปัสนูป่าทุ์วิปัสนูเ น, นเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจจริงๆผมจึงไปเห็นคนเป็นวิปัสนูผมเข้าใจทันทีใครจะเป็นมาจากที่ไหนผมก็ลูพราะผมเข้าใจผมเป็นผมรูครับ ผมก็มานึกว่าคนทุกคนมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เลยผมปฏิบัติธรรมะเบื้องแรกขอเตือนจิตส ก, กิดใจของเพื่อนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมครับเมื่อเรารู้รูปนามรูปธรรมนามธรรมหรือรู้เรื่องสมมุตินี่เลยครับมันเกิดปัญญาขึ้นมาอันของจริงแท้ๆนะ่นคือว่ารู้รูปรูปรป้นาม รู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้รูปโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้สมมติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปลู่บุญอันนี้รู้แค่นี้จบเลยครับถ้ามนุษย์ออกจากนี้ไปความรู้อันนั้นเป็นความรู้ของวิปัสสนาวิปัสสนาอุปกิเลสตามครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังในขณะเมื่อเราเป็นเราไม่รู้ ตอนผมมารู้จิตรูใจผมทําลายเรียว่าผมทําลายก็ได้ครับทําลายควมหลงผิดคือทําลายควมโกรธควมโลคควมหลงนี่เนี่ยครับผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจทราบซึ้งจริงๆครับเรียกว่ายานปัญญาหรือปัญญายาณเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าวิปัสนาเห็นแจ้งรู้จริงก็ได้ครับก็เลยรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้จริงๆเรื่องนี้ครับ เวทนาไม่ต้องมีทุกข์สัญญาไม่ต้องมีทุกข์สังขารไม่ต้องมีทุกข์วิญญาณไม่ต้องมีทุกข์ผมเลยรู้จากอันนี้เป็นรูปสี่ไม่ใช่เป็นรูปห้าขันสี่ว่าแต่ผมเข้าใจอย่างนี้ครับเข้าใจจริงๆครับเรื่องนี้ครับเมื่อจิตใจเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยครับผมเรียกว่าเป็นปฐมสารจริงๆ ทีแรกเมื่อผมรู้รูปนามผมเข้าใจว่าผมได้ปฐมสรรคอันนั้นไม่ถูกต้องที่ผมว่าผู้ผมเองนะเรื่องนี้ที่ผมพูดนี่บางคนอาจจะเข้าใจว่าผมนี่พูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนอันนั้นเป็นเรื่องสมมติผมเข้าใจทันทีครับบันนี่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดอวดครับผมพูดคมจริง พูดอุตลิมนุษยรร์ศาสนคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในเราทมอันนี้มันมีในคนครับแต่คนไม่รู้ไปพูดขึ้นมานั้นเรียก่พูดอวดถ้ามันรู้จริงๆไม่เป็นการพูดอวดครับเรื่องนีร้รู้ตอนนี้มันก็เลยยังยังไม่แจ่มใสแต่รู้แล้วครับมันเกิดปีติครับมัน มันเกิดปีติภูมิใจในผมรู้ในอารมณ์ของตัวเองเห็นเป็นอารมณ์อย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้อันนี้ผมก็เลยหมดทุกเรื่องขมโกรธขมโลภขมหลงนี่มันไม่ได้มีแล้วผมก็เลยสมมุติว่าเหมือนกับขุยถึกเนื้อขุยตัวผู้เนี่ครับตัวน้อยเนี้อตัวเล็กปล่อยออกจากคอกเราไปในขณะที่ผมเป็นผมเป็นอย่างนั้นครับปี้ยบให้ฟัง คุยตัวเล็กมันไปนห่วงเม่เสิรงมันวันนี้พอดีมันห่วงเม่เสิรงอยู่แล้วแบบ น, นี้เราปล่อยคุยตัวตัวใหญ่ๆนี่ว่าคุยถักใหญ่พอดีคุยตัวเล็กมันเห็นคุยตัวใหญ่มันวิ่งหนีทันทีมันกลัวครับมันกลัวควุยถึกใหญ่ฉะนั้นเรื่องข่มโกรธข่มโลภข่มหลงนี้ถ้าหากเราเห็นชีวิตจิตใจของเราจริงๆแล้วมันกลัวจริงๆครับ ผมเข้าใจเรื่องนี้อันนี้จิตใจผมเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งแต่เมื่อผมรู้รูปนามนั้นเป็นจิตใจรู้สมมุติแต่มันยังทำลายความหลงผิดสิ่งนี้ไม่ได้เมื่อผมเดินอยู่นั้นเนี่ยครับในระยะตอนนั้นจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งครับอันนี้รับรองจริงๆครับเรื่องนี้ผมจึงยืนหยัดพูดอย่ายงนี้มาตลอดมา พูดที่ไหนผมต้องพูดอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อผมมาทำความเข้าใจกับชีวิตจิตใจผมเดินไปเดินมา